อ๋อห้องนี่แหละห้อง CICU เนี่ยนะบัดนี้ก็เสร็จแล้วแต่ล้งปู่ใหญ่คงมาไม่ได้อายุท่านร้อยสปีแล้วนยลูกหลานนยร้อยสปีกว่าละท่านอยู่ในโรงพยาบาลคงจะมาไม่ได้ครับก็ยังไม่แน่ือนกันนะ่ะออถ้าว่าสุขภาพของท่านพอไหวลูกหลานก็คงจะเอามามาร่วมงานด้วยแต่นั่นตรงพ่อไปแนละ้วจึงจะรู้ได้